ดังนั้นพวกเราที่พูดว่าอาการเกิดดับที่หลวงพ่อพูดให้มาเป็นขั้นเป็นตอนมาที่อาการเกิดดับที่หลวงพ่อพูดนั้นคือมันต้องเป็นต้องรู้ต้องเห็นต้องเข้าใจต้องสัมผสัสแนบแน่นกับสิ่งเหล่านั้นตอนนี้ก็เลยมาพูดเรื่องนี้ก่อนก่อผู้ใดรู้สภาพอาการเกิดดับนั้นมีอา น, นิสงส์มากกันว่ายัางไงคนเกิดมาร้อยวันพันปีก็ตาม ถ้าหากว่าไม่รู้สภาพดุพาว่าอาการเกิดดับอันนั้นชีวิตของคนนั้นเป็นหมันเป็นโมคะคําว่าเป็นหมันเป็นโมคะก็หมายถึงว่าได้ผลไม่สมบูรณ์เลือกไม่ได้ผลว่าอย่งังกระใดเกิดมาร้อยวันพันปีก็าตามสู้เด็กคนเดียวเกิดเด็กคนนั้นเกิดมาเพียงวันเดียวรู้สภาพดุพาว่าอาการเกิดดับเช่นนั้นคนนั้นละเกิดมาเพียงวันเดียว รู้เห็นเข้าใจสภาพอาการเกิดดับแนบแน่กับสิ่งเหล่านั้นคนนั้นดีกว่ามีอายุเป็นเพียงวันเดียวนะดีกว่ามีประโยชน์กว่ามีค่ากว่าคนเกิดมาร้อยปีนั้นอะไรอย่างนี้บัดนี้ในทางพระสงฆ์ก็เช่นเดียวกันทั่นว่าบวชมาได้อายุร้อยพรรษาแต่คนบวชมาอายุร้อยพรนศานั้นไม่รู้จักสภาพหรือภาวะอาการเกิดดับไม่ได้สัมผัสและไม่ได้รู้อันนั้น การบวชผู้นั้นเป็นหมั น, เ ป, น, มนเป็นโมฆะเหมือนกันไม่มีประโยชน์เลยทันว่อยนันในทางพระพุทธศาสนานี้ทันวันะนนั้นวันนี้บุคคลที่บวชมาเพียงวันเดียวรู้เห็นเข้าใจสัมผัสแน บ, แ น, บแน่นกับจิงเหล่านั้นอันบุคคลบวชมาเพียงวันเดียวนั้น่ะมีค่ามีราคามากกว่าบุคคลที่บวชมาร้อยปีร้อยพรนศานั้นทันวันอย่างนั้นอันนี้ให้เข้าใจว่าคือว่ามันเป็นคําพูด วันนี้คนก็นเลยไปตีความหมายว่าอาการเกิดดับต้องเป็นอย่างนั้นอาการเกิดดับมันต้องเป็นอย่างนี้เนี่ยเข้าใจไัมอันที่ผมพูดตอนเช้าเนาี่ยทุกคนต้องประสบอันนี้อันนี้อาการเกิดดับอันนี้มีค่ามากเพราะว่ามันคาดออกจากกันแล้วเราจะรู้เองคนอื่นรู้กับเราไม่ได้เมื่อมันคาดออกจากกันแล้วเราก็รู้จักมันคาดออกจากกันนี้ววันนี้มีอาจารย์หลายอาจารย์ที่บอกว่า คนที่พูดถึงที่สุดแล้วไม่มีกิเลสแล้วนั้นตายแล้วไม่ต้องมาเกิดอีกนะครับเห็นว่าอย่างนั้นวันนี้คนที่ยังมีกิเลสอยู่ตายต้องมาเกิดอีกนะอันนี้ก็มีความหมายไม่เหมือนกันหลวงพ่อเคยพูดหลายครั้งว่าอายตนะคนยังมีอายตนะอยู่มันต้องเกิดคนถ้าไม่มีอายตนะแล้วไม่ต้องเกิดอันนี้นี่กัคนอาจจะฟังไม่ทูกก็ได้หรือจะทุกก็ได้ ตอนนี้ก็เลยมาพูดเรื่องพระอเดียเจ้าหรือพระอัหันหรือพระพุทธเจ้าก็ตามพ่อแม่ครูบาอาจารย์เล่าให้ฟังอย่างนี้มีฝ้ายเส้นเดียวเส้นไหมเส้นเดียวมาคขึงไว้ที่ตรงกลางเนี่ยแล้วกับพระอัหันนอนข้างนี้บะเนียสตรีเพศนอนข้างนี้ก็นอนได้เลยไม่เป็นไรก็แสดงว่ามันขาดหมดแล้วคือสิ่งนั้นมันหมดแล้วเดีวยวว่ามันเข้าสู่สภาพของมันแล้ว เรื่องนี้มันต้องเป็นแล้วยังจะมีญาณเข้ามารู้อันนี้เป็นจุดสําคัญทุกคนต้องมาที่นี่ที่พูดตอนเช้าเนี่ยถ้าหากไม่มาที่นี่แสดงว่าคนนั้นอ่ะจะดํามืดไปเลยจะไม่มีความสว่างในใจเลยเมื่อไม่มีความสว่างในใจจะมีค้ามีราคาอะไรคนมืดอยู่ในใจแล้วทันว่าอย่างนั้นคือมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยเรื่องรูปนามนี่ก็ดีอยู่แล้วเนี่ยเรื่องปรมามะกดีอยู่แล้วเมื่อยังไม่ถึงจุดนี้แหละเรียกว่าราคาเราอย่างน้อยมาก ยังไม่สมบูรณ์เ่วะการทานให้นกให้สัตว์เวลาสารขอได้บุญเหมือนกันการทานเนี่ยได้เหมือนกันเรื่องทานวัตถุหรือศสนาโทสัโมหันโนภาก็ตามเจว่ะยังก็ตามอันนี้เป่ยนเป็นเรื่องทานหรือจะทานให้คนผู้ศีลกอตามทานให้ผู้มีศีลขอตามทานให้สมณเนรขอตามทานให้พระปเจกับพุทธะขอตามทานให้พระพุทธเจ้าขอตามอันนั้นนเป็นคำพูดเมื่ออันนี้ยังไม่ขาดโยตืว่ายัางมืด อ, อยู่ในใจ เรื่องการทานก็เช่นเดียวกันเมื่ออันนี้ค่าเสร็จแล้วเราจะดูเฉียวว่าพระพุทธเจ้าตัดผมครั้งเดียวตัดอันนี้ไม่ใช่อื่นไกเลยแต่ทุกคนเนี่ยเรียกว่าสัจธรรมต้องประสบอันนี้อุบัติเหตุก็ต้องุกนี้คําว่าอุบัติเหตุเนี่ยสมมติเอานะเนี่ยไปไหนคาว่าอุบัติเหตุเอานี่รดคว่ำรถชนหรือว่าอะไรตกตายมะเนี่ยเป็นอุบัติเหตุกระเจ้าอันนั่งกระทุกเหมือนกันคําว่าอุบัติเหตุเนี่ยทุกคนต้องประสบจริงๆหลวงพ่อเคยพูดมาหลายครั้ง คนต้องประสบสิ่งนี้แล้วอย่างน้อยต้องห้านาทีหรือวินาทีเดียวแล้วก็จะหมดลมหายใจได้เมื่อเราไม่เคยรู้อันเนี้เราจะไม่รู้เลยดังนั้นทุกคนต้องประสบอันนี้เลย ว, ว่าสัจจะทำแพรไม่เปลี่ยนแปลงไม่แปรผันจะรู้ก็ต้องเป็นอย่างนั้นไม่รู้ก็ต้องเป็นอย่างนั้นแต่ว่าอันที่พูดมาเนี่ยมันหลายเขารูปน้ําเนี่ยจะรู้มันก็ต้องเป็นอย่างนี้ไม่รู้ก็ต้องเป็นอย่างนี้ทิพตาเนี่ยอันนี้มันก็เป็นคําเดียวกันแต่ว่า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 เรือเราแตกกลางวางังบางคนคนละเล่มกันนั่นเรือเนี่ยสมมุติเอาเรือจะให้ว่ามีเรือคนละลํากันบางคนไปแตกกลางวังลึกๆจมน้าลึกๆบางคนเรือไปแตกกลางวังแต่ว่าใกล้ๆเข้าไปแต่ฟังแล้วบางคนเข้าไปแตกกลางใกล้ๆแต่ฟังเข้าไปบางคนไปถึงต่ฟังปุ๊บแตกเลยก็มีเนี่ยเรือแตกอย่างว่าเปรียบเทียบเป็นการเปรียบเทียบเท่านั้นเองบางคนรู้ไว้แต่นานยังตายก็มี บางคนจวนจะตายอย่างลูกก็มีบางคนใกล้ๆจะหมดลมหายใจใกล้ที่สุดก็มีเนี่ยยังจะรู้อันนี้ดังนั้นแต่ว่าอันนี้ต้องเป็นทุกคนนี้ไม่พ้นเพราะมันเป็นคนจริงทางเราจะไปที่นี่เนี่ยคือไปตายนี่เองเราจะไปตายนี่เองแต่ว่าตายเป็นหลักษณะอย่างไรจรึงว่าผู้ที่รู้อย่างนี้เราจะไม่กลัวตายเลย พ, พระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนั้นที่ว่ายอมเสียสละทรัพย์พละสติวิญญาณ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 จะมอาการเกิดดับอันนั้นอนะ่ะมันขาดแล้วดับศูนย์ไปแล้วอืม mm. แต่ว่าคนที่ขาดศูนย์ดับไปแล้วเรียกว่าพระเนียบุคคลทันไนะั้ตนะํารางคนที่เป็นพระเนียบุคคลนั้นตายแล้วจะไม่กลับมาเกิดอีกวั mm. นนี้คนที่ยังมีกิเลสอยู่นั้นตายแล้วจะได้มาเกิดอีกว่านี้ห mm. ลวงพ่อเคยถามเพื่อนหลายหลายคนวันนี้สัตว์ที่เคยกินอาเจียนตัวเองเนะ่ยมีอะไรบ้างเคยถามอย่างนี้ หลวงพ่อแนวเสีเ้าหมายอันนั้นเองแล้วเราก็เห็นด้วยตากนันอีกด้วยนี่ยคนเน่ยอาเจียนออกมาแล้วไม่กินเพราะถ้าไมนสัตว์แล้วอาเจียนออกมาแล้วจะกลับกินได้อันนี้ก็เป็นคำเดียวกันที่คำที่หลวงพ่อพูดว่ามันหมุนไปเองมันมันเป็นไปตามธรรมชาติของมันไม่ถึงตายท่้นหลวงพ่อพูดอย่างนี้เนี่ยสมมติเรามาปฏิบัติธรรมะนี่เองรู้จักสภาพภาวะทุกข์แล้วกลับไปเใ็้ทุกข์อีกแล้วเนี่อันนั้นแสดงว่ารู้จํารู้จัก แค่ยังไม่รู้แจ้งไม่รู้จริงเหมือนกับที่เราไปฟังเทศคูบาอาจารเทศเนี่ยโอ้ทานะดีจุใจดีเนี่ยแต่ความจริงเขาเอาอะไรให้กับเอาไปหมดจังหวาสุ น, นัขมันกลับขึ้นไปที่ไอเจียนมันอีกได้เหมือนกับที่เอาฝ้ายเส้นเดียวมาคึงไว้ที่ตรงนี้สตรีเพศกับพระเดียบคนเน่ยนอนไม่เป็นไรเลยอาบัติไม่มีท่านไว้ยอย่างนั้นพ่อแม่เราให้ฟังคูบาอาจารเราให้ฟังเนื่องจากมันขาดไปแล้วถ้ามันไม่ไม่ขาดแล้วก็แปว่าเป็นอาบัติเสมอไปท่านว่ายอย่างนั้น แต่ความหมายมันกว้างแต่ความเดียวนั่นแหละพระพุทธเจ้าทำตอนที่ว่าพระพุทธเจ้าตัดผมคําเดียวขาดเลยไม่เหลือผมก็ไม่ยาวอีกสักทีแล้วหลวงพ่อไม่เข้าใจทีแรก่ะโอ้ขอมจริงแม่จะพูดร้อยคําพันครับมีจุดสําคัญคือจุดเดียวเดียว่าตัดจะทำแท้ที่ว่าไม่เปลี่ยนแปลงไม่แปรผันคงที่ถาวรตลอดเวลาหลวงพ่อเข้าใจอย่างนั้นใครจะพูดยังไงก็ตามหลวงพ่อฟังได้ แกว่าพูดอย่างนั้นหลวงพ่อรู้จักพูดอย่างนี้หลวงพ่อรู้จักไม่ใช่หลวงพ่อจะเป็นพระเดียบบุคคลนั้นนั้นนี้หลวงพ่อรู้จักเองเพราะหลวงพ่อเป็นอย่างนั้นเมื่อเป็นอย่างนั้นก็ต้องเข้าใจอย่างนั้นเมื่อไม่เป็นอย่างนั้นจะไม่เข้าใจเลยเคยให้ทานมาเคยรักษาจิตมาเคยไปทําความสงบมาไม่รู้เลยความสงบนี่หลวงพ่อไม่รู้รู้ว่าสงบเนี่ยเป็นนั่งภาวนาดูลมหายใจมันสงบอันนั้นไม่ใช่สงบคนไม่อยากสงบนสงบไม่อยากสงบ พูดยังไงดีควมสงบไม่อยากสงบอ่ะ น, นะเนีย่ยคนนั้นไม่อยากสงบคืออยากไปติดอยู่แค่นั้นเองเจ้าความสงบไม่อยากสงบอันสงบแบบหลวงพ่อพูดได้คือมันคขาดไปแล้วจะว่าสงบก็ได้ไม่สงบก็ได้เนีย่ยควมเพลิดเพลินเจริญใจไปอย่างนั้นที่ว่ามันเพลินกับอันนั้นเองหรือมันอยู่กับเช่นนั้นเองมันเป็นสภาพเช่นนั้นของมันมีอยู่แล้ว แต่ว่าทุกคนต้องไปประสบอันนี้นี้ไม่พน้นนี่แหละอาการเกิดดับแท้รับรองแทนพระพุทธเจ้าว่าทุกคนไม่ว่าหญิงว่าชายไม่ว่าพระสงองค์เจ้าต้องประสบอันนี้และก็ไม่ใช่ว่าเฉพาะคนไทยเสียด้วยนะคนจีนคนฝรั่งเศสคนอเมริกาหรือว่าให้ว่าคนนี่แหละจะถือศาตานาไหนก็ตามจะเป็นเพศใดก็ตามต้องประสบอันนี้จริงๆเรียกว่าสัดจัดแท้ ไม่ต้องไปศึกษาวัฒนารรมคิดศาสนาพราหมณ์ศาสนาอินดูอิสลามทั้งหมดเลยมันจะมารวมจุดนี้ถ้าหากไม่มวนศพมันลงไปแล้วแต่ว่ามีความสงสัยลังเลใจกังวลใจคนกังวลใจแสดงว่ามันมืดยุทธ์ใจมันเพราะมันยังไม่รู้จักทิศทางเรือมันแตกกลางวางังน้าท่วมหัวยันมะเรงแดมก็ไม่บิดหัวเล ย, ยมันก็อย่างดีมูคนก็ก็รู้จักมะพร้าวเนี่ยนะ มะพร้าวดิบหอไปโยนในน้ำเนี่มันจมแต่มันมันว่งเปลี่ยนได้มันมะพร้าวแห้งเนี่ไปโยนปุ๊บเนมันพุขึ้นมาเกือบดินน้ำมะพร้าวดิบดิบเปียกๆเขานี่โยนพุ้งลงไปดิยามานค่อยปูขึ้นมาน้ํามันยังท่วมหลักมันอยู่มะพร้าวมะพร้าวแห้งเนี่โยนปุ๊บลงไปดิมันจมปิ้งมันร้อนดันขึ้นมาจากพ้นน้ำขึ้นมาก็ูขึ้นไปน้ำสมมุติให้ฟังอันคนสงสัยลังเลใจถือซาตนาหลาก้อยตามแสดงว่ายังไม่รู้จักทิศทางยังไม่รู้จักทางออกเลย เหมือนกับนกขังไว้ในตู้นี้เองแม้จะเรียนมหาจบประโยคเก้าก็ตามแมื่เรียนทางไฟโลกได้ปริยายเอกจากสิบปริยายเอกก็ตามคันถ้าไม่รู้อันนี้แสดงว่าปราบหรือบัณฑิตแบบนั้นยังปราดตาลาบัณฑิตตําลาถ้าคนเขียนหนังสือไม่เป็นอ่านหนังสือไม่ได้คนเห ง, งะยังไงก็ตามเมื่อเขาพ้นไปจากอันนี้แล้วนั่นแหละปราดแท้บัณฑิตแท้อันนั้นน่ะ ควรศึกษาและควรปฏิบัตินะว่าทําเราใดเป็นไปเพื่อความเบียดเบียนตนเองและเบียดเบียนคนอื่นนั้นไม่เป็นธรรมไม่เป็นวินัยไม่เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่ควรศึกษาและไม่ควรปฏิบัติอเราไม่รู้หลวงพ่อไม่รู้จริงๆไม่รู้ก็ต้องศึกษาต้องปฏิบัติไปเห็นอาจารย์องค์ใดว้าเก่งก็ต้องแม่เพราะมูนี่ท่านรู้ดีนี่อย่างนั้นองค์ใดพูดไม่เก่งไม่เพราะ่อไม่เป็นหน่าฟังไม่รู้เลย เพราะเราไม่รู้เรายังเป็นน้ํากับมะพร้าวที่โยนตุ้มลงไปมะพร้าวเปียกมะพร้าวแห้งนะเอาลองก็ได้บ้านวัดสนามไหนเนี่ยไปถามมุขบา น, นี่หลายองค์ะขอเอามะพร้าวเนี่ยโยนลงในคอในหน้าท่านถามหลวงตาอะไรหลวงตาหลวงตาไพาทูนนีก็ได้หลวงตาแพาทูนขอมะพร้าวจากลูกหน้า่นเอาเอามะพร้าวแห้งสักลูกหนึ่งในมะพร้าวดิบสักลูกหนึงไปโยนก็นได้ทดลองก็ได้นี่เป็นที่สุดเห็นด้วยตาวัตถุอันนี้ นี่แหละจีวะมันมีความสงสัยเพราะเราไม่รู้จุดนั้นเพียงแต่ว่าทานให้ใครก็ได้ได้คือการบุญนะเจ้าวะจุดนั้นมันใช่เป็นบุญแล้วไม่เป็นบุญไม่เป็น บ, เนบาเยวเนื้อทุกเหนื้อสุขเนื้อดีเหนือชั่วสินก็เนื้อคนอะไรก็าได้เพราะมันไม่มีอะไรคนหรอกเราต้องเห็นอย่างนั้นดังนั้นจีวาทานให้พระโสดาบันนั้นท่านจะซี้ไปเลยไปนี่แต่จะถึงไม่ถึงก็ไม่รู้แหละเหมือนกับที่เราเรือเราแตกกลางวังเนี่ย น้ามันไม่ลึกเท่าไหรเมื่อเราแตกปุ๊บเราจมลงไปเรายั่งถึงเพียงคอก็จะยื้เพียงคอนะั้นไม่ได้มองเห็นาะฟังจะเดินไปไม่ได้น้ําไหลมันต้องลอยไปคนบางทีไม่ถึงกับฟัง่งตายกลางวังก็ได้บางทีคนที่ว่าเรือพายเรือไปเรือมันแตกปุ๊บเลยไปเหงื่อละเพยนะสมมติเอานะเหื่อละโป๊ดไปแตกน้กํากำลังเพียงกลางขาเนี่ เขเดินไปบดีน้ำผ้าน้ำเที่ยวน้าไหลแรงๆมานะหลวงพ่อเคยเปรียบเทียบเรืทฟังจั่งไม่อยู่เลยจําเป็นต้องล้มลอยไปบางทีไม่ถึงแต่ฟังตายก็มีบัดนี้คนที่เรือพายไปใกล้ๆแต่ฟังเนี่ยแตกปุ๊บเลยบดี น, น้าพอเพียงกลางแทงเนี่ยเดินไปได้สบายไม่จะไหลขนาดใดก็ไม่ล้มเลยคนนี้เดินไปได้ขึ้นไปบนบกได้สบายอันนี้แสดงว่าคนที่รู้จักจุดที่หลวงพ่อพูดเนี่ยรู้จักจุดจะไปไว้จุดไหน เนี่ยเขาว่าอย่างนั้นมีความหมายอย่างสั้นนี่ว่าวันนี้ต้องมาแสะกันราว่าตอนสั้นเนี่ยต้องพูดให้ฟังคนมาปฏิบัติธรร ม, มาต้องเข้าใจอย่างนั้นแม้จะไปเป็นครูสอนคนก็ต้องเข้าใจอย่างที่ตัวเองอย่าไปเข้าใจคนอื่นบัด น, นี้คนอื่นจะรู้ตัวเราเนี่ยดีเหนือเราไปไม่ได้ที่ว่าสัมมาทิฏฐิกับนิสสัทธิทิฏฐิมันอยู่ที่ตรงนี้ทิฏฐิเราเห็นอย่างนี้เห็นว่ามันถูกต้องกับคําสอนของพระพุทธเจ้าได้ยังไง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 คนนึ่งขึ้นรถยนต์ไปคนนึ่งขึ้นเนนครื่องบินไปใครจะดีกว่ากันแต่อันตรายมีเหมือนกันนะสมมุติเอานะถ้าคนกิ้งไปกระ บ, บางเททุบหลักทุกต่อก็อมีเจ็บก็มีคนคานไปกระเด็ น, เนีปเจ็บปวดรวดร้าวก็มีตายก็มีเ น, เนี่ยไปอย่างวิ่งไปบเบรียไปสนหลักสนต่อมันไปแลงเนะี่ยเร่งไปตายก็มีไงเป็นอย่างนะไม่ถึงที่ก็มีบันเนี้คนนั่งรถยนต์ไปถ้ารถคว่ำตายก็มีเพราะคนขับไม่ดีเนี่ยรถก็ไม่ดีเนี่ยไปอย่าง คนขึ้นเครื่องบินก็เหมือนกันขึ้นเครื่องบินไปเครื่องบินไปเสียกลางอากาศตายก็มีเนี่ยมันสมมุติอยู่ว่าให้รู้จักจริงๆถ้าหากไม่รู้จักจริงๆเนาะเราจะเกอ้อเขินนี่การที่สอนคนก็ตามหรือพวกเราที่ไปปฏิบัติก็ตามเลือกไม่ได้เลือกครูเลือกอาจารย์ไม่ได้แล้วก็ซื้อเสียงอันใดอาจารย์องค์ใดดีมีซื้อเสียงหลวงพ่าชอบอยากไปอย่างข้อมจริงแล้วไม่ใช่อย่างนั้นอันนี้พวกชมจริงโดยโดยเปิดอก วันนี้เป็นวันที่สองแล้วนะวันที่สองปีใหม่เนียวันนี้เป็นวันศุกร์วันที่สองวันศุกร์เดือนมกราสองพันห้าร้อยสามสิบเป็นปีใหม่ล้วนๆไม่ใช่ปีเก่าเราจะพูดเรื่องใหม่ล้วนพูดเรื่องคนที่จะไปใส่เรื่องชีวิตของเราจริงๆถ้าหากว่าเราไม่รู้อย่างเนี้ยให้ฐานดีแล้วรักษาสิ่ดีแล้วไปทําคนสงบดีแล้วแต่ว่ามันไม่รู้อันนี้จะให้ทานก็ได้ รักษาศีลก็ได้ไม่ให้ทางก็ได้ไม่รักษาศีลก็ได้ไม่ทําความสงบก็ได้ทําความสงบก็ได้เมื่อถึงจุดนี้เราเรียบร้อยทุกอย่างประมวลลงนี่ทั้งหมดเลยดังนั้นจึงสภาพวสัสด จ, จักทำแทเปลี่ยนแปลงไม่ได้ทุกคนต้องตายจริงๆตายจริงๆแต่ในขณะที่เราจะตายเนี่ยได้มีครูบาอาจารย์เล่าให้ฟังว่ า, าพระพุทธเจ้าจะตายแล้วทกพระสาวกเข้าสานตามไปอันนั้นมันเป็นคําพูดนะ คือรู้วิธีอันนี้ถ้าสาวกต้องรู้อย่างนี้ถ้าหากไม่รู้อย่างนี้แปลว่าไม่รู้เรื่องเลย <S <S <ấy> ไม่ใช่เข้าสารตามพระพุทธเจ้าไปแล้วโอ้พระพุทธเจ้าเข้าสารนั้นสารนี้อันนั้นเป็นคําพูดของคนที่พูดอย่างนั้นตัวหลวงพ่อเขา้าใจอย่างนั้นเขา้าใจอย่างนั้นจริงๆเดี๋ยวนี้นี่มีใครมาโจทย์เป็นอบัตปรัชิกาจากกอมพิวกสูแล้วได้ไม่งอเลยคนจะพูดยังไงก็ไม่งอเลยเพ่อจะพูดความจริงแล้ววันนี้ถ้าไม่พูดความจริงแล้วก็มันจะเป็นโรคเรื้อรัง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 ถ้าหมอดีเขาจะตัดปุ๊ดทั้งหมดเลยแล้วโรคอันนจะไม่ตับขึ้นมาจริงๆอันนี้ก็เช่นเดียวกันที่หลวงพ่อพูดเนี่ยถ้าหากไม่รู้อันนี้แล้วคนนั้นจะซีจุดนั้นจุดนี้ไปไม่เศราเลยแล้วเราเป็นพุกไม่รู้นักก็ถือว่าจุดนั้นสําคัญจุดนี้สำคัญสําคัญทุกจุดแต่ว่าจุดเดนี้สําคัญจุดนี้แหละสําคัญทุกคนน่ะทุกคนจะประสบเรื่องนี้จริงๆที่หลวงพ่อพูดเนี่ยไม่มากก็น้อยทีเดียวแต่ว่า เนี่ยอันนี้หลวงพ่อได้ยินพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราให้ฟังคนเกิดมาเนี่ยทําบาปทํากรรมยังไงก็ตามเลยจะไปตกนรกตกอวิชีที่ไหนพวกหลวงพ่อไม่รู้ข่าวนั้นกูบาอาจารย์ก็เล่าให้ฟังพ่อแม่ก็เล่าให้ฟังคนเป็นอนันตริยกรรมท่นว่าภาษีอันนี้ไม่เตยเนี่ยมีอายุแปดหมืนปีท่านว่าจะมาเป็นพระมหากษัตริย์ฮองราชสมบัติอยู่สี่หมืนปีแล้วจะได้เป็นพระพุทธเจ้า เป็นพระอลหันพระศีนี่แต่ในสี่หมืนปีนะว่ะแล้วคนที่ทําบาปกำหนักจะเป็นจกเยอวีจีพุ่นพระศีอันนี้ไม่ไต่มาเกิดมาตัดสู้ประกาศพุทธศาสนาอยู่สี่หมืนปีวันนี้คนจกอยู่ในอเวจีบุญเห็นแสงพระศีอ น, นี้ตแต่เพืพอปั้นฟ้าแมบนี่ว่าสันคอเมรวัดป้องอันนั้นก็คาเดียวอันนี้นี่เองไม่อื่นไกลเลยมันประมวลลงที่ว่าสัจจะทำแท้ทุกคนต้องหนีในคนนะเดี๋ยวนี้ป้าได้จริงๆ กล้าได้มาจริงๆรบยี่สิบกว่า ป, ปีแล้วพูดมาอย่างนี้มาใช่ว่ารู้อย่างนี้แล้วเออนี่ของจริงแต่แท้ๆเจือ ไ, ไปฟังได้ทุกคนใครจะพูดยังไงฟังได้ใช่ว่าพูดไปอย่างนั้นแหละสีนนท์สีดีทิศนั้นทีน่นี้เอาทิศใดก็ตามเถอะมันจะไปที่ไหนก็ไปเถอะมันต้องประมวลลงนี้างว่าทุกคนต้องตายฟังเอาเถตายจริงๆตอนที่จะตายเนี่ยเราจะดำมืดตายหรือเราจะใต้ไฟตายเท่านั้นเอง ถ้าหากเราใต้ไฟเดินทางเดี่ยวนี้นี่ก็ไฟมอดกันจริงๆลาบากถ้าไปกลางวันน่าจะไม่ลําบากเลยเนี่ยอย่างนี้อันนี้ก็เช่นเดียวกันการฟังเทพข้าจะพูดเรื่องใดฟังได้เพราะเรามีหูทิพย์แล้วเข้าใจแล้วธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่ลึกลัำและก็สบายที่สุดแล้วก็ยากที่สุดเมื่อยังไม่มีปัญญาเขาฟังยากเมื่อมีปัญญาเมื่อเห็นแจ้นู้จริงฟังสบายแม้จากพูดงด่ยแต่ก็ต้องมารวมจุดนี้ พูดง่าก็เดี๋ยวก็มาลวนตรงนี้จังหวะพระสาวกเข้าสารตามพระริเจ้าไข่ของพระองค์ใดเขาถามมหาดิเรกจะรู้จักดิองค์ไหนเข้าสารกับพระริเจ้าตายเข้าสารอันนั้นแสดงว่ารู้จักเหมือนกันกับพระริเจ้าท่านว่าอย่างนั้นให้เข้าใจไปล้ๆพระพุทธเจ้าสอนยังไงรู้จักตามขั้นตอนไปกับพระริเจ้าท่านว่าอย่างนั้นแต่เราก็เลยเข้าสารตายพระริเจ้าตายแล้วกลับขคืนมาเข้าสารแล้วเอาสารได้อันนั้นเป็นการเข้าใจถูกแล้วแต่ว่าถูกแบบอยู่ในถ้ำ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 อย่าเชื่อถือเสียงเขาทํากันมาอย่าเชื่อถือว่ามันมีในตําราอย่าเชื่อถือแม่ครูบาอาจารย์ของตัวเองกันทั้งนั้นแล้วการคาดคิดโดนเดาไม่ได้ธรรมะอย่างที่หลวงพ่อพูดคําสอนของเจ้าจะคิดเอาลวงหน้าไม่ได้จะลูกก่อนไม่ได้หลวงพ่อก็เคยคิดเช่นเดียวกันว่าตึงคนาหมายมันต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นั่นแหละเป็นอนันตานิยกรรมไม่อื่นไกลเลยพวกป้ากล้าอย่างนี้แหละนี่ออกเป็นเหล็กเหนียวแทๆ้ๆฟันคาดจริงๆนี่แหละถ้าไม่พาตับลงเขาเนี่ก็ต้อง มันจะเป็นโรคเรื้อรังมันเป็นโรคเรื้อรังจริงๆถ้าหากไม่พาตัดลงแล้วมันจะค่อยก่อตัวมาเป็นโรคเรื้อรังดังนั้นให้ทุกคนเข้าใจว่าเราต้องพยายามตัวเราคาดคิดไม่ได้ตําราจะไปเสื้อมันจะจะไปทําทลายตํารานะเราต้องพยายามปฏิบัติถ้ามันเป็นระยะมันเป็นอะ่ะไม่ต้องถามใครเลยหลวงพ่อเปรียบให้ฟังแล้วเนี่ยในวราผมบอกทันว่าทันให้แตได้เคาะเลยอะ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 วันที่สองวันนี้ก็คงจะจริงจังกว่าวันที่สามสิบเอ็ดกับวันที่หนึ่งเพราะวันที่สองวันที่สามเขจะเข้ ม, มงวดก่อนไปวันที่สี่เขจะเล่งรัดตัดตอนบางทีอาจจะประสบปุ๊บออกก็ได้นะดังนั้นครูบาอาจารย์พาพี่เลี้ยงหลายองค์ก็ต้องคอยแนะนําตามจังหวะผู้ที่มีศราก้มหน้ามาให้เราสอนจริงๆแล้วเราต้องสอนจริงๆดังนั้นวัดสนามไหนในขณะนี้นะเนี่ยพระจำนวนเนี่ยต้องอยู่ในความปกครอง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 ยันขึ้นมาไม่แรงมันจะไม่มองเห็นต่อฟังเลยถ้าหากว่าเรือแตกใกล้ๆกางต่อฟังแล้วเราจะมองเห็นถึงไปไม่ได้ ก, ก, ก, ก็จะไม่สงสัยขอให้ทุกคนทุกคนพบเอากับซีวิธอันประเสริฐจริ ง, รงๆในระยะอันไกลเด็ จ, จงทุกๆคนเธอ